255. อปตินิสักคะอุเขปนิยกรรมะปฏิปัสสิกถาว่าด้วยการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาป 428. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุสง์ลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป แล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุกเขป็นิยกรรมเพราะไม่สลักทิฏฐิบาปถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุกเขป็นิยกรรมเพราะไม่สลักทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้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 เพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุร no ูปน <len 43> <diversion> ั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูประงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทำปฏิรูป ระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น